กาธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนั้นข้าพเจ้าคิดว่านิษฐานเรื่องเทวดากับพ่อค้าเกวียนจะเป็นคติสอนใจที่ดีที่สุดเรื่องมีอยู่ว่าเกวียนของพ่อค้าคนหนึ่งได้ตกลมเขาพยายามเข็นและดันเท่าไรเกวียนก็ไม่ขึ้นจากหลมเขาจึงได้อ้อนวอนขอให้เทวดาที่อยู่ในป่านั้นช่วยเหลือเทวดาก็มาปรากฏร่างให้เห็นครั้นแล้วเทวดาก็บอกว่า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 การอธิฐานเท่าที่ทำกันอยู่ก็เป็นเรื่องของความงมงายเท่านั้นใช่ไหม